จะไม่ถ้าได้ลาดถ้าได้โกดกระตาปาถนาอย่างใดรับความสุขมีควอมปาถนาม้านเดียวกันเบื้องวัตถุเราไม่อย่างไดเงี้ยเลยแต่ไม่ขี้ลานขี่โกดกระซาก็ไมีควอมปาถนาบ้านเดียวกันส่วนถ่ได้สุขเรือบวรา้สุขนั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกันทําถือกันรายสุกกันท่ามืถือกับรา้สุกแต่ควอมปาถน า, อ, าอันเดียวกันทีนี้ค่อนพวกกรุงเทพนั่น มีกี่คนอยู่นี่ยกมือขึ้นดูยกมือขึ้นดูคนพวกกรุงเทพมีกี่คนพวกจะอ่านฟังภาษาภาคอีสานไม่ออกอะมีกี่คนฟังภาษาภาคอีสานใครฟังภาคอาสาอ่าภาคใครฟังภาษาภาคอีสานไม่ออกยกมือขึ้นบอมีบอมี ใครฟังภาคภาษาภาคอียิสานไม่ออกยกมือขึ้นบ่ไหมบ่ไหมบอกระยอกมันก็นมาโด น, นอ่านออกล <c oughs> กะพอกระยอกกมาโดนน่ะพักกันกินเส้อาหารเนี่ยเขาอันน้ําพักกันเดิมใช้พักกันเดิมเมื่อไดจะควักเมื่อไปควักเมื่อมามันควักมันมันนี่บ่อาหน้าอ่ะเนาน ว่าเอาแต่หัวขอดอกมาเนี่ยเข้าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเข้าย่าเป็นคนตัวเข้าให้เป็นคนเม่ซัดไม่คมเมื่อไม่ศีลก็ขอให้เปนไม่ซัดนัตทีแม่ส ร, น, สรนั่งอัญญัตสานนัตอื่นของเข้าว่าไม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่ทนานเป็นสานนัตอันประเสริฐของเข้าเอเตนสัดจะวัดเท่นะ สดทิเมโหตัสภพพาด้วยกล่าวความสัตย์เนี่คนนนนยความสวัสดีจงมีแก่เรานัตทิเมสรานังอันยังสรณะอื่นของเราไม่มีธรรมโมเมสรานังอัลังพระธรรมเป็นสนะอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายด้วยกล่าวคําสัตย์เนี่เอเตนสัจวัเทนะสดทิเมโหตุสภพพาขอความสวัสดีจงมีแกพวกเราทั้งหลาย นัตเมสนาดังอันยังสร้างโคเมสนาดังวังสนนนอื่นของเราไม่มีพระรยาสองเจ้า 29, เป็นด้พึ่งอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายวยกล่าวความสัตย์นี้ขอความสวมัสดีจงเมแก่เรา ยังเงย็นจีัตนางโลเกวิชิติวิวิธางพุทวนานตนาภัสตสังนติตัตมะโสดเทภวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไ ม, ม่เลยด้วยก่ารคาสัตว์นี่ขอความสวัสดีชงเมก่เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตาเท่าเขาสูพาพาลลล้พระญาพานเรื่องใดเรื่องใดกว่าดีตั้งสัจจะปารมิสัมปันโนไว้ตั้งอธิฐานาปารมิสัมปันโนไว้ อธิษฐานแม่สีตายมือและวซิบเท้่อสียเกิดมือและวได้ซิบเท้ากระซ่าเสิยเบญ่อมหนีจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตายมือแล้วล้านเท้อกระตาาเลือดทุกยศที่ผู้ทราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยุทธเมือสจขอออกกายถวายเสียต่อพระพุทธรรมพระสงฆ์ยุทธเมืองแล้วลืกได้มาเลืกได้ก็ดีขอให้เข้าใจไปยังสัตตั้งสัตว์ยังสัตตั้งคนบ่มิสัตมันบอดีขันสัตบ่มิอีกศีนมันก็ขาดปุ๊บหลวงสัตต์อารดว่า อันไหนคือกันวัดสัจจาปานมมสัมปันโนเป็นของสําคัญอธิษฐานนะปานเมสัมปโนเป็นของสําคัญมากสัจจาปานเมสัมปโนตั้งสัตว์ไรขนาดกลางไว้ขนาดพอดีสัจจาอุพปาณเมีสัมปันโนตั้งไว้เค้งเกิดเติบก็นั่นสัจจาปรมัตถะปานเมสัมปโนขณีตั้งสัจไรในท่างที่ดีแล้วตายก็ย่อมตายอันนั้นเป็ น, นมหาสัจจา อธิฐานปารมิสัมปะ โ, โนะคือกั น, นอธิฐานอุปปารมิยสัมปโนะก็ตามอธิฐานปรมัตส์ปารมิสัมปโ น, โ น, น ะ, ะโนโนได้อธิฐานไว้แล้วนะ่ะย่อมตายต้องอธิษฐานไว้เลยอธิษฐานต่อพระพุทธธรรมประสงค์ตั้งสัตวต่อพระพุทธธรรมประสงค์ขนั้นอื่นมันเปิดค่อน ท, งทางไปเองค อ, อนี่ยเป็นคอสำคัญคอเป็นกิจทุระเบื้องต้นของพรนะพนะุทธศาสนาเนี่ะหมายถึงซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นที่พึงกิจทรุระเบื้ อ, องต้น ก็เรียกว่านเพิงพระพุทธพระธรรมสงฆ์อยู่แล้วหวังเพิงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิดในใจของเข้าแล้วก็เรียกว่าเข้ามีนะโมแปลว่านอบนอบอยู่เ่าเมียกังเวขกังคืนจิตใจของเข้านี่พุทธธรรมสงฆ์ก็อยู่ในจิตในใจเขาเข้าในได้อายุบรรณอื่นได้ยหองไผ่ห้องม่นรักษาออกรักษาเอาในจิดในใจเขาเข้าในวันนี้ไปใชคันเห็นก็เห็นอยู่นี่คันนี้คันนี้ออกจากนี่ เห็นขึ Ta ้นพระทธธรรมพระสงฆ์กับมั่นใจผู้เห็นเนี่ยขันว่าเห็นกับมั่นใจผู้ผู้เห็นขันเรื่อมสากับมั่นใจผู้เลื่อมสายพระทธรรมพระสงฆ์เรื่อมใจคำเรื่อมสคําสอนของพุทธเจ้าเลื่อมสายถ้ำคสอนของพุทธเจ้าเลื่อมสภริยาสงฆ์ผู้บพฤ้นดีประพฤติชอบต่อพระสรมาลพุทธเจ้าผู้เป็นว่าประพฤติดีปรพฤติเจ้าก็เป็นเรื่องของเพิ่นเฮาญาิไปตัดพระพุทธศาสนาที่มดไหมขันเห็นผู้นึงเ็่าดีแตตัดพระพุทธศาสนาที่มดเข้าจะสคัญว่าเขาเห็นถ้ำมันกับว่าถืออันนี้ว่า เพื่เบ่งพระเทพประทานก็ดีพระชุบพระพุทก็ดีเบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาแต่ปางได้ผนเข้าก็ตัดทิมได้พนั้นท่าพระพุทธเจ้าเข้าบด้ทิมความประทับพระสงค์ก็เป็นเรื่องของเพิ่อนผู้ได้ทับั่วก็เป็นเรื่องของเพื่อนนี้เห็นผู้อื่นทำบทั่วเหรอเขาจะไปค่ายข่วมเหลื่อมใส่พระพุทธศาสนาบัดเข้าสาคัญว่าเขาถือศาสนาจ้างมันกับถือหันนั่งขัดผู้อื่นมเฮ็ดดีเขาก็เฮ็ดดีนีัดผู้อื่นมาเหลี่ยมใส่เขาก็เหล่ยมใสเ้พระพุทธระระสง์ ของคิดของใกเห้าเป็นพี่เป็นผู้เรีอมใส่ได้ยืมของผู้ไรมากบอกหม้อสันน้อยนี่เห้าเห็นเพื่อนึงทำพอดีแล้วขวามของผู้ักศาสตร์นาเมื่อมันกับอะไรคือประเทศชาติบ้านเมืองเห้าน่ะเขาเพชรพดีเห้าจะไปสร้างหมสันเพรามราซามันกับเรื่องของผู้เพชอดีกันเจ้าได้คื้กันผู้เพชรเพชอดีเห้ากับกับเป็นบาปของเพ่นแต่เฉพาะเพื่อนเพชรดีกับเหล่งของเพืขข like. ่นกันเพิ่นเพรดีเห้ากับเสนาลับน้ำเพิ่นหมาอัันข้ามเพิ่นเพชดีเห้ากับเไน้ลับน้าเพิ่นขึ้นกันของภัยขมั่นเนี พ้นชุดท่ายมันก็ต้องพลียไปหันเขาบอ่นคำว่าธรรมนั้นกับปฏิบัติบ่หลงเท่กันเขาวัดเขาวัดบ่หลมกับยามันเข้าคิดเข้าใจเข้าให้มันหลมสร้างพระเราเขาวัดบ่หลมกับบํม่พแนวเข้าคิดเข้าใจเข้าใหเถิงพระพุทธพระธรรมประสงค์นั่นแหละมหาวัดนะฮั่นเลือกใดว่าเลือกใดก็ดีข้อมอบกายถวายทีตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเมื่อบรมีประมาณ ตาาเท่าเขาผููพัพนยพานผลจากทุกนาวต้องสงสารอยู่ทุกนาวมีประมาณกข็ขาเธอเนี่ยเขียนไว้หมดแล้วนี่นาพุทธธรรมสงั่นนี่เรื่องเข้าใจปฏิบัติไปมากผลเนี่พานยังมีอีกเรื่องเขาปฏิบัติมนุษยธรมบัติเนี่ยมนุษยธรมบัติคืออย่างอบายยมุกเว่นมัดนํำจะอบายยมุกเนี่ยมันหลายกว่าเก่าคนทางหลายมันมันเข้าใจผิดว่าอบายยมุกเข้าจะถือว่าเลขพระบัตรเบือ มันเป็นทางเจลือกนั่นสันก็เรียกว่าเฮ้าเนี่ย่ำรายขำสอนนะพุทธเจ้าค่ำสอนอันนี้เป็นค่ำสอนต่ำๆเลยค่ำสอนเนี่สอนคารวะสัมเดยสอนคนหยาบที่สุดอันนี้ให้เหรียญอบายยมุกสอนผู้ที่เว้นอบายยมุกไปสอนละเอียดไปก็นั่นเองอันนี้ถ้าเพียงอบายยมุกเข้ากับยังละบ่ได้เหรเฮ็ดจังไหนเฮ้ายังยึถึงธรรมะสันสูงของพระองค์เจ้าให้บอกจังสันไดไหมมูห่า พระพุทธเจ้าวัได้กีดขวงวัได้กีดขวงคว่ำเจริญของโลกบอกท่าขิบหายของโลกหายบรรเ้นหาเว้นท่าขิบหายเขาจะตีข้อไม้พระพุทธเจ้านี่กีดขวงคว่ำเจริญของโลกว่แมนรัฐบาลเพิ่นผ้าเหรียนี่ยสันเพิ่นผ้าเหรียญกับเป็นเรื่องของเพิ่นห้ามเหรียญการห้ามเหรียญเพิ่นกระไปเหรียญก็ผายก็ผายเพิ่นเหรียญแต่เพิ่นนี่ห้าพันไปเหรียญนิดเดียวขัสูขัดสุ้ที่เลรียญเนี่ันสู้ก็มาเสียแหรักชาวย์เพิ่นกัว่าสันตัวบอกสันว่า ใครมื่เจ้าพี่น้องเสด็จในสันกับวาเสียแหรรัตซะเก็บภาษีเวลาว่าข่งสันยังสิดงนี้ก็ผู้เจ้าไปเสียใต้ดินเห็นไหมสันเพิ่นกับว่าอยากเรียนหอกผู้ลังคนรัฐบาลรัฐบาลว่ามันคืบกันหมดได้ผู้ว่าต้องการกันนี่เนี่ยอนุร้อมนํา่าร่อย่างฝืดฝืดโลกเขาผ้าเป็นผู้ลังคนโยกโลกผ้าไปกินขี่ว่ไปได้เสมอนี่พวนี้ว่าไป โลกภาพไปนั่งตากแดดทน่อนๆกีบเไปบนมีอบนฮมที่เขาของทำนี่เขาว่องจักเพ็ดจังไหนมันสิไปได้มรคนี่พลาดนะว่าท่านไหมบวชหัวล้านคุ้งงอนก็นตามใช่ไหมขนันม่าเรียนเลขเรียนผ้าเรียนบัสเรียนเบ อ, อยุ้นห่วยจักรท่านนกบ่ารวดเล้วยเา้ามันเป็นยังบูนิสัใสเขา้ามันเป็นในสันว่ามันพิษตรงตง พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไ่ได้ส่งเสริมไม่อบายมุกเพระพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาท่ายควบเดียวกันเบดิดมาต่างลานตัางแสนต่างโกด ต, ต่างตื่อต่างเต้วก็ต า, ตามมาเป็นยุคยุคต่างลานปีแสนปีก็มาเบาถือกันเบดิดอันนี้เป็นคอสําคัญมากทับเท่าดีน่มมนิยมเสมอเนี่ยเพราะดีมันมาจากไหนเสียนมันมาจากไหนหนีเสียนมันมาจากไหนมันก็มาจากอบายมุกนั่น ไปยืมเงินธนาคารมาเนี่ยว่าสมงวดเขาพันว่าตัวสีได้ว่าตัวสีไดเอารอไปสักกนอนนะแล้วพอเลิกรัไปที่ไหนสามงวดที่งวดเข้าไปเลิกลักไปเลิกรัไปอีกัดเอาแล้วบาทมัดด่างเงินรเรียญให้เสียณให้เหหน้าเสียหน้าไใหม่งนไหม่สร้างหน้าเข้ามันยั่งที่ดินเข้ามันยั่งไฟใหม่เรียกไหม่ามันมันยั่งแล้วคำสอนพระพุทธเจ้า ผู้ใดเด่นเลขเล่นผ้าเล่นบาเล่นเนบือมันกับพ่อปานไปงอนง่อยบาพระพุทธเจ้าพวกเล่นโบกขื้นกันกับพ่อ่านไปง่อยบาพระพุทธเจ้าโคกโบกใส่งหงวเพื่อ น, นันขี่คู่ขี่คู่เอาสาสตร์เทียนไปห้องหงอเพื่อ น, นันอันเดียวกันมนุษย์สมบัตสเว้นจากอบายยมุกอบายมุกบไดนี้จะเพียงเลขนาเดียวไม่ร้ายก่อ น, นั่นอะโค นักรลงหญิงนักรลงโซลานักเลงเล่นการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติคร้านทําการงานในทางที่ชอบเกียดติคร้านการทาการงานในทางที่ชอบก็ะรอกมูรูปประตูเดียวท่านละ่ะคิบขายประวัติวัดน่ะขายนาําเมาบ่ชเฮ็ดยังเล่นขายถึงแต่นําเมากินแต่เหลากระรอกมึงงานเถอะกักินเหลาเสียไปบวัดได้อืมเสียทั้งกลมทั้งงาน เกิดโรคตั้งตีเตียนไม่รู้จักอายทอนกำลังปัญญาคบมิตชั่วก็คือกันนําให้เป็นนักเลงหญิงนําให้เป็นนักเลงโซลานําให้เป็นนักเลงเล่นการพนันนําให้เป็นคนลวงเขาโดยของปลอมนําให้เป็นโกคนโกงเขาซึ่งหน้านําให้เป็นหัวไม้ช่างชิบหายเม็ดหน่ค่าขายเครื่องผหาขค่าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์เป็นอะไเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายนา้าเมาค้าขายยาพิษการค้าขายตั้งหลายเหล่านี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกประกอบภาะการหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าสามไม่ถือมองคลตื่นข่าว คือเชื่อกรรมไม่เชื่อมองคลสี่ไม่แสวงหาเขตบุนนอกพระพุทธศาสนาข้อห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาอุบาสกอุบาชิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่าปการและเว้นจากไม่บัตรท่าประการซึ่งตรงกันข้ามบัณฑิตาปริณายกาบัณทิตเป็นผู้คลองเลือนและเป็นหัวหน้าหมูนัตถิพาราปริณายกาคนพาลไม่ใช่คนหัวหน้า บันเทิตาประนายากาบัณทิตเท่านั้นจึงเป็นคนหัวหน้าแล้วไปเห็นในหนังสือพิมพ์เขากล่าวว่าผู้ใดไม่มีสัตว์พูดตามหนังสือพิมพ์ของเขาเห็นแต่เราไม่รับหนังสือพิมพ์หรอกแต่เขาเอามาให้พักกรรมาฐานอะไรจะไปรับหนังสือพิมพ์แต่เขาเอามาให้ดูก็ดูเฉยๆคนไม่มีสัตว์ไม่ควรเป็นหัวหน้าเขาพูด พระพุทธศาสนาก็พูดเหมือนกันคำสอนของพุทธศาสนาสอนให้มีทานวัตสอนให้มีศีลวัดสอนให้มีภาวนาวัดคือข้ อ, อวัดอันจะเอามาเป็นอารมณ์ของเกียตใจเกียตให้ทานโดยเขารพคือเพื่อเพื่อแก่ของเจตัวให้และพูดนับทานนั้นไม่ทําอาการหดุจทิ้งเสียทานวัดศีวัดภาวนาวัต จับเป็นศีลสมาธิปัญญาจัดเป็นไตรสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งคือจิตยิ่งคือปัญญายิ่งปัญญายิ่งในพระพุทธธรรมประสงค์ก็เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาทั้งหลายไปรวมอยู่ที่ปัญญายิ่งผู้มีปัญญาจึงจะยอมเลื่อมใสพระพุทธธรรมประสงค์จึงจะยอม ม, ย ม, ยอมีทานมีศีลมีภาวนา ผู้ไม่เป็นไม่มีปัญญาก็ไม่เลื่อมใสในทานศีลภาวนาก็ไม่เลื่อมใสในพูดพระธรรมประสงค์อีกด้วยเมื่อไม่เลื่อมใสในพูดพระธรรมประสงค์ก็ไม่เลื่อมใสในคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยนั่นไปวันไปการมดเพราะพุทธธรรมสง์สอนให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มีต่ำให้มีสูงให้มีปู่มีย่ามีตามียายแล้วลึกถึงท่านผู้มีคุณไม่อัตตันตอยู่เราไม่อัตตันตอยู่กับท่านผู้ใดเลย แล้วรึกได้ไม่รึกได้ก็ดีวุฒิขุดอิฐผลผลบุญให้ทั่วทั้งใจโรคทานอยู่ทุกเมือ่อขอบารมจากพระเยนไพรอยู่ทุกเมือ่อขอผูกขาดจองขาดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อคำสอนของพุทธศ า, าสนานั้นมันมีมากมีนิดเดียวที่มันมีมากก็เพราะว่าเราสงสัยถ้าเราไม่สงสัยมันก็ไม่มากก็ตั้งหน้าปฏิบัติเท่านั้นตามเสถียรกำลังของเราด้านภาวนาใช่ไหย ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเอาศีลมารวมไว้เท่นั้นเอาสมาธิมารวมไว้เท่นั้นเอาปัญญามารวมไว้เท่นั้นเอาพุทธธรรมสงฆ์มารวมไว้เท่นั้นเอาความดีทั้งหลายมารวมไว้เท่นั้นเอาแปดหมืนสี่พระธรรมขันมารวมไว้เท่นั้นพค้อกมกลมลมเข้าลมออกเวลาเราจะภาวนาะเวลาเราจะนอนก็เหมือนกันนอนขาภาวนาะพควอมกลมลมเข้าลมออกนั่นเอง เอาแปดเมืงินีลพระธรรมขันมาไวเช่นั้นเอาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาไว้กับสติกับปัญญาที่ได้ลึกถึงลมหายใจเขาออกนั่นเองต้องการเห็นก็ต้องเห็ น, ต, หนต้องการเห็นเดียวนี่ก็ต้องเห็นทั้งพูดก็ทั้งเห็นด้วยไม่ไว่แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการก็ต้องเห็นทั้งพูดอยู่ก็ต้องเห็นด้วยไม่ไม่แต่ไม่ต้องการศีษฐก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดี แปดหื่สี่พระธรรมขันสมารวมอยู่ที่สติแห่งเดียวมีสติเห็นลมหายใจเข้าออกก็มีพระพุธะทธธรรมประสงค์อยู่ที่นั่นด้วยก็มีทานมีศีลมีภาวานาอยู่ที่นั่นด้วยก็มีคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายรวมลงมาที่ในปัจจุบันกําลังลมหายใจเข้าออกนั่นด้วยอันนี้เป็นธรรมละเอียดเป็นธรรมชั้นสูงอันนี้เจ้าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าพาเศรษฐีมาฆ่า เราก็มีสิทธิ์ที่จะนับถือพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้ทานรักษาศินได้เหมือนกันเราไม่มีสิทธิ์แต่ทางทําชั่วทางทําดีเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันเราก็ใจถึงได้เหมือนกันใจถึงให้ใจถึงในทางทําดีถ้าใจถึงในทางทําดีก็ได้รับผลดีใจถึงในทางทําชั่วก็ได้รับผลชั่วคนเรามีใจถึงทุกๆท่านถ้าใจถึงในทางทําชั่วก็ทําชั่วแต่ให้ผลต่างกันตามเหตุผลที่ทําน้อยแล้วมาก ถ้าใจถึงในทางดีก็ทําความดีก็ให้ผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทําดีน้อยแล้มากให้ผลอยู่กับคิตกับใจใจเป็นผู้รู้จักเหตุใจเป็นผู้รู้จักผลเหตุอันไหนใจสร้างขึ้นผลอันนั้นก็ามาหาใจผลที่ได้รับคําสอนใดในใจโรกธาตุไม่เหมือนคําสอนอภิษฎศาสตร์นาดออกเลื่อมใสใดๆในใจโลกธาตุก็ไม่สนิทเท่าเลื่อมใสคําสอนอภิษฎศาสตร์นาเพราะมีเหตุผลพอ เหตุผลรัฐที่อื่นๆก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ถึงศาสนาพุทธเป็นเมืองขึ้นของศาสนาพุทธหมดเหตุผลอันอื่นๆ น, นึกเวลาไหนเห็นเวลาไหนก็ไม่เืดไม่จ่าเหมือนเกลือกิบในเวลาไหนก็เค็มมอยู่กิบมากก็เค็มมากเก็บน้อยก็เค็มน้อยน้ําตาลก็เหมือนกันผู้เรื่อมใสอะไรมาพุทธศาสนาเท่ากับเขาโค ผู้ที่เริอมสช้ในพุทธศาสนาก็เท่ากับขนโคทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าของดีมีผู้รู้จักน้อยผู้ที่เริ่มใช้พุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีวัดาสนาแก่กล้ามาแล้วเพราะสร้างบารมีมาแต่พบก่อนแล้วไม่ใช่จะเพิ่งจะมาสร้างในชาตินี้ยิ่งทําบุญบุญก็ยิ่งสูงขึ้นที่ในใจยิ่งทําบาปบาปก็ยิ่งจูงใจลงให้ต่ําไม่มีกลางวันกลางคืน พูดทำบุญอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนพูดถึงพระพุทธธรรมผสมอยู่ไม่มีกลางวันกังคืนจิตใจก็ได้บุญอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนเรียกว่าทำบุญคู่อายุของจิตของใจผู้่ได้ทำบาปอยู่บ่อยๆก็เรียกว่าทำบาปเป็นคู่ของจิตของใจอยู่บ่อยๆ bon. ทำบุญฉลองอายุของบุญทำบาปก็ฉลองอายุของบาป บาปก็ไปบวกบาบบุญก็ไปบวกบุญบวกอยู่ที่ใจไม่ได้บวกที่ตาหูจะบวกลรื่นกายไม่ได้บวกที่แบบแผ่นดินแผ่นว่ามันบวกลงอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนปุญญานี้ปราโลกาจามิงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี่และโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานทุกขโขปาปัสอุจยโยความสะสมแห่งบาปนำมาซึ่งทุกข์ สุขโขภูญยศอัจะโยความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขนำมาหาจิตหาใจนำไปที่อื่นมันไม่ไปหรอกเพราะจิตใจเป็นผู้ทำมันก็ต้องมาหาใจจะปฏิเสธกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ต้องไล่มันเือ่อหามันเข้ามาหาเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นงานจิตงานใจมันนั่งก็เป็นงานจิตงานใจถ้าคนตายมา น, นั่งไม่เป็น เดินก็เป็นงานของกิตของใจยืนก็เป็นงานของกิตของใจนึกพูดคิดเป็นงานของกิตของใจทั้งนั้นไม่มีคนอื่นจะแย่งทางานกับมันมันทําเองมันมันจะปฏิเสธให้ใครก็ไม่ได้ทําด <seizure. S 2> <m> ีก็มันเป็นผู้ได้รับผลทําชั่วกับมันเป็นผู้ได้รับผลมันจะปฏิเสธให้ตาหูจมูกริ้งกายใจอดีตอนาคตเขาก็ไม่รับด้วยดินฟ้าอากาศภายนอกเขาก็ไม่ได้รับด้วยก็คิดใจเป็นผู้ได้รับแต่ปฏิเสธโกหกตนเองนะ ความดีความชั่วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจใจเป็นผู้ทําใครเป็นผู้ถามหาุความดีความชั่วก็ผู้ถามหานั่นเองจะสร้างความดีความชั่วให้ความดีมีไหมบาปมีไหมบุญมีไหมก็ผู้ถามหาบาปหาบุญนั่นเองเป็นผู้มีบาปมีบุญสิ่งไหนที่พิจารณาชัดในส่วนตัวสิ่งนั้นมันไม่ขบวชคืนเพราะมันถูกแล้วพุทธธรรมสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความเกิดแก่แกบตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก มรรคผลนิพยานก็มีอยู mm ่ท hmm. ุกเรามาใจเขาออกมีอยู่ทุกขณะจิตที่นึกที่คิดจิตจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาปัญญาจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาถ้าจิตมีปัญญาปัญญาก็ต้องรู้เราทําไมเราจึงนับถือพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนทั้งมนุษย์สมบัติด้วยสอนทั้งสวรรค์สมบัติด้วยสอนทั้งพรหมสมบัติด้วยสอนทั้งพระพานสมบัติด้วย ที่นี like ่มนุษย์สมบัติเราก็ได้แล้วสวรรค์สมบัติเราก็ได้แล้วพรหมสมบัติเราก็ได้แล้วเวลาเราเมตตากรุณานั่นแหละคือพรหมสมบัติแต่เรายังไม่ถึงแต่พระ涅槃สมบัติเชิงเดียวที่นี้สิ่งเหานั้นเราเคยผ่านมาแล้วมนุษย์สมบัติเราเคยได้ผ่านมาแล้วสวรรค์สมบัติพวกเราก็ผ่านมาแล้วพรหมสมบัติพวกเราก็ผ่านมาแล้วเพราะเราเคยเมตตากรุณาอยู่เคยมีทานมีศินมีภาวนาอยู่ส่วนพระ涅槃สมบัติมันยังไม่พอ เราจึงได้สร้างอยู่ถ้ามันพอแล้วเราก็ไม่ได้มาสร้างอีกเราก็เข้าสู่พระพ涅นไปซะเดี๋ยอนี่ทานวัตศีรวัตรภาวนาวัตหรือข้อปฏิบัติของเรามันยังไม่พอเราจึงไม่ได้เข้าสู่พระพานเราจึงได้มาท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารเพื่อสร้างวาระมีเพื่อ น, นี้จากวัดตาท่องสารเพราะวัดตาท่องสารความเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์ธรรมเทศนาแต่ละอย่างละอย่างมันมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้น เช่นความแก่ก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่มีในอดีตอนาคตเช่นความเก็บก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตอนาคตเช่นความตายก็ตายจากเช่าสายบายเที่ยงก็มีอยู่ทุกลมบาณเช่นความเปื่อยความเน่าในสกุลละกายก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาคุณพระพุทธธรรมประ ส, สงค์คุณปู่ย่าตาทวดก็รวมลงมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นชอบกลบลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าเราพิพจารณาคุณคุณจึงจะมีไอ้ทแท้คุณมีอยู่สิ่งที่โทษก็มีอยู่เหมือนกันเราพิจารณาเห็นโทษ โทของมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่สร้างขึ้นเราจะสร้างแต่กุศลผลบุญมาในกิเลสกายจะพยายามมิเยทุกขมัดเจติควจะล่วงทุกได้กพเพราะความเพียรเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรละชั่วทำดีก็มีความหมายอันเดียวกันคำสอนของพุทธศาสนาย่นลงมาสั้นๆก็คือจงพยายามละชั่วทำดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงมาแล้ว พุทธละชั่วทํานี้ก็คือใจก็คือสติปัญญาไป่เรื่อมใสอันไหนก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเท่าเรื่อมไสในว่าพุประธรรมประสงค์ได้เคยพิจิตพิจัยไปแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนยังไม่ได้บวชแต่เมื่อบวชมาแล้วไม่ได้สงสัยเลยก่อนจะบวชก็ไม่สงสัยแต่ว่าเมื่อแต่เป็นเด็กอยู่นั้นไปค้นหาทางอื่นก็ไม่ยินดีในทางอื่นยินดีในพุทธประธรรมประสงค์มาแต่เลกๆ เ, เ, เข้าไปวัดเกาเราห่างเลย นิสัยมันไปนั่งอยู่ผู้เดียวเพิ่นคือสินั่งผาวานาไอันเพิ่นคือ่อจีเทศไอ้หันเพิ่นครื่อจีทองหนังสื อ, อยู่หนีไว้ท่นน้ำตาไหลแะ่ได้นิสยัยหอบบอกให้หลวงปู่หมันฟังหลวงปู่หมันพูดว่าเออตัวมันมีนิสัยมาใจดนุนไว้ท่านโอ้ยขอน่อยเขาไปหางวัวหาควายไปนั่งไปเห็นวัดเก่าเราหา่างไปเห็นถาเดเจดีมันพังมันหยังลง น้ำเอาบวัดวัดเก่าๆแก่ๆเขาหน่อยนั่งน้ำตาไหลยอยูู่นเดียวด้วยขาหน่อยไปสัน่นเออตัวมีนิตไซมาแล้วยเน็ตไซส์ไปได้สั่นไปเห็นวัดเก่าเราห่างแต่เป็นเล็กหน่อยขนาดนี้เพิ่นคือจีทองหนังสืออยู่นี่เพิ่นคือสีเทสไม่ออกเด้วยนี่พอออกด้วยนี่เพิ่นคือสีอ้อมเวียนนี่เพิ่นมาแห่มาหยั่งมาสัน่นต่เกียมันปรุงไปทั้งแฮ่เลย อ้อมาธาตุอันนี้แหละว่าสันน้าตาไหลสันอันี้ใสอ่ะอ่านเหลืองประวัติเขาพระองค์เก่าสันน้ำตาไหลาเลยเพิ่นเดุกดร้ายายากลำบากมากย่างนั้นย่างนี่เพิ่นเป็นชาตรกษัตริย์พระองค์เก่าเอาทุกๆพระองค์เป็นชาตรกษัตริย์มาบวชสิน้นไม่ได้กินนังไม่ได้นั่งกระดูกแขนข้ อ, อยู่ผู้เดียวเปรียวกายย่ากลัวสีได้ทำมาสอนมูห่าทั้งหลาย สมมติอยางคนสอนเนี่ยมดแล้วได้นังเสียหนังสืออ้อมดตั้งแต่หนักเทศยี่ในตู้ในหีบเต็มอยู่ส ถ, ถีบแถีบมิแต่ลอกเมื่อปฏิบัติเท่านั้นเดียวยมือห่อนพระองค์เจ้าในยุคพระองค์เจ้ามาเกิดแต่ละยุคในยุคบ่ ม, ม, มีผู้สอนเนี่ยคำสอนมันอันตรธานหมัดได้มันบ่มีอยู่ในหีบในตู้จ่องเสื่อมไปแต่ไอ้แท้ๆเป็นคำสอนอันเก่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มากคนคำสอนอันเก่าน่ะขึ้นเป็นแต่ผู้บ่มีผู้ ผู้สืบไว้ที่ซื้อพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงว่าสืบไว้เป็นยุเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุเป็นยุคเป็นยุคันอันตราธานไปเพราะว่าศาสนาพระองค์เก่าองค์นั้นองค์นี้มันหมดไปแล้วมันหมดผู้ปฏิบัติที่ซื้อนอนเปลี่ยนคือนอนภาวน่านอนว่าเปลี่ยนคือนอนบ่าภาวน่ามื่นหนึ่งมื่นหนึ่งข้าแบงเวลาออกก็ไดบ่แบงกับว่าแบงข้าวแหต่ำข้าวแหต์อะไรจะหามันเกินขอบเขตของศีลธรรมแล่ะมันกับ เป็นลึถึงพ rando, ระพุทธศาสนาอยู่บ่มีกระเนขึ้นอันไหมันเปีนเสียเปลนถ้ามาห้องกันจะไปเห็ดหลับบ่เข้าห้องขอจักดูห้องวัมันเขาหงจักถ้าเข้าห้องขจักเข้าก็สิรักษาได้บ่ห้องของจักที่เข้าจรักษาได้คือเข้าไปเรงงวดเรื่องกุน่ะกระห้องจักบักดาบักดอนเออห้ากันจิรักษาควอยกลุ่มบักดำเสียไปกับ่เห็นบักดอนเสียไปก็บ่เห็นมันจะรักษาควอยป่ะกุมคือของยังในห้างในซานเข้าอันไหนยังบ้านไหนอบ้านไหเากรเบง ข้กับจังสิรักษาของกลุ่มใช่ไห้คือกันจิตใจของเห้าเนี่ยคือกันมันเนึกวไปทา้งมอมนเห้าเลยสติขึ้่นมากเห้ากับขัวเค่นมากจรงจรมันนึกว่าทางมอมนขั้นเห่านึกไปทางมันเป็นประโยชน์ตัวและผู้อื่นพักเมื่อกับว่าเปียห้ากับปอยอะมันนึกไปจะไปตันขีตันเน่ยมันไหลก็บอะไรวฉันอรรถห้ไหมมีอิสระด้หบอกต่ังว่าจิตใจหไหไปประชาที่ปัตัยได้หรอนี่จบแต่จะไปรัดหนามัน จะบอยากให้มันนึกมันคิดผู้มันนึกว่าคิดมันถึมีความห่มันจะใส่สร้างเอเพราะแคนนว่าไอ้จิดก็น่อยว่าสงงบสรางนึกกันนึนี้มันนึก่าทั้งนี้กัปอยมันเห็ตัวคึงว่าคืออยใช่ไัมยืนจงโป่งดูว่าหมันกัดหยาจักมมันหอนเป็นอ๋มันก็บิีอนทีเอมทองมันมันนึกไปทังนี้กับปอยมันเห็นตัวตันทั้งขี่ทั้งเหยวมันมันกับว่าหอนเป็นอ๋มันกับได้บุญแล้วกับทาน้าไม่ชีระไม่ภาวน่าไม่เนี่ยภาวน่าภาวนาก็มีหลายสั่งเน พระวานาค่ะจิตหนึ่งยุตซื่อกับหนึ่งอยู่ได้ทอดส้เข้า น, นั้นกับพิ่แก่น้าไปอีกคือกันมันที่พี่แก่น้าไปทั้งถือทั้งเป็นประโยชน์กัลปอยให้มันพี่แก่านาทันทีถ้าในใจให้มันติงให้มันยุคขึ้นจังเขาผูกข้อแขนเนี่ยมันกับอะไรปอยให้มันไปที่มันจีบแ ล, ล้วถึงธานถึงศีลถึงพระวานาพุทธธานุนสติธรรมธาตนุนสติสังฆานุนสติอันไหนก็แล้วปอยใใหส่รถ ปอยใส่ข้องดิปอยให้ไม่กินงามันจังอิ่มแล้วงอคุ้ยจะไปรัดมันอยู่มดมือมันก่อฮันเป็นเอวบอกฉันว่าให้นี่โดนไปไหนหละแต่ว่าอมาเนี่ยอิชอมอะไรนึงเมื่อไหร่ห่อฮะจ๊กกะบอจ๊กกะว่าเนี่ยโดนมาไหนนี่ยชีชี้ป่ะฮะเออก็ไปในไ้พ่อนกันแล้วก็เอาแล้วเนาะเอาแล้วบอกได้ไฟส่องไนนเก่ามา แล้วเอาหนังสือไปแกกันนะเนี่ยเพืได้สงสัยอะไรหายไม่ิสี์ใจถามได้เนี่ยถามก็มีเยอเอาไปเนี่ยคือหมอลำเพินวานะลำนั่นลงไรล่งเถื่อนมาถึงก็มีเท่าไหนมันจะโพดอยู่ได้เหาเจนเขาได้บอกลงโอ้ยเด็กแล้วลกปูทันโดนแล้วบพาะว่าเทศกเทธให้เจ้าของอะไะ <บ>ร <PTSD> ประเทศประเทศให้ผู้ฟั่งผู้ปฏิบัติสินแน่ะใหมันไปบันอื่มมันมาไปแล้วบอกโง่มาหาผู้ฟั่งผู้ปฏิบัติอเทศมันมาไปทางอื่นคือเข้าซี้ไปซี้ไปบันอื่มมันจะโง่มาเอาคือแขนศอกซี้ดีกัมันมาหาเข้าคือแขนศอกซี้ไปทางซัวกัโง่มาหาคือเข้าคือขนอกเพราะเาเป็นผู้ซี้นี่อสังนึกไปทางซัวกับมาหาเ้าซึไปทางดีกับมาหาเพราะเ้าเป็นผู้นึกนล่นิฝาอากามันก็มารั physique, บเอาบอกสั <Leon idas> <isan AP> เองภายไหวกัมมันต์พลังวามันคกโง่มาเองมันไปเอาหนังสือมาแจกนี่เอาละซ้ำนี่ก็ไรเนาะไปสงสัยอะไรก็ถามเนาะพระวานาเอานะเพื่อไดมักคพุทธโธเอาพุทธโธเนเพื่อได้มักร่วมให้ใจเขาออกกัมมักเพื่อได้มักพี่กันหน้าข่วมตายใครเอาไอ้พี่กันหน้าไอ้มี่ขอวัดขึ้นรถขึ้นเรือเมื่อบ้านในีพระกันพระวานาพุทโธไปนั่งช้นาทีลหรอตัวจำโมัโกอพุทโธโมสักก หมดทั้งหมด่ั ก, กสงสัยว่าพุทธศาสนามันก็บปรปบิบัติานยากดอกมีหน่อยก็ท่านหน่อยมียร้ายก็ท่านร้ายสัวเขาแม่นหาคักเศษหนึ่งก็ได้เท่กันเออเากินอีหยังเขากจังหวะเาสิบะมี่เน่ท่านเขากินอย่างสเสมอเนี่ยเขากินเขาเนี่เม็ดนึงเขาท่านเ่อรบะนั่นเฮ้ยขาน้อยมีเขาเดเดียวท่านเดียวใส่ปลาใ่ันก็นก ไ, ดนกได้อยู่ตื่อขึ้นอย่างผึ่งผาย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 มากก็ามากออกมาจากใจน้อยก็ น, น้อยออกมาจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจนะไม่หนีจากรักเดิมรู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นก็รู้เท่าสังขารตอนนั้นไม่รู้เท่าใจตอนไหนก็ไม่รู้เท่าธรรมตอนนั้นก็ไม่รู้เท่าสังขารตอนนั้นรู้เท่าใจโดยสิ้นเชิงก็รู้เท่าธรรมโดยสิ้นเชิงก็ปฏิบัติธรรมโดยสิ้นเชิงก็พ้นไปโดยสิ้นเชิงพ้นจากความสงสัยของตอนไปในในในโลกล้วนอเนจัองอ ได้ในรรกรวนทุกขังได้ในรลกรวนอนัตตาไม่ต้องสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเพราะมันมีเท่านี้ไม่มีอันอื่นไม่มีมากสภาะโลกทั้งฟวงไม่มีมาก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 คือรูปกายของเรานี่เองดินน้ำไฟลมโฉมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่าลูกขันเวทนาขัญญาสังขนานวิญญาณเป็นนามะขันทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแปลว่านีแตส่สลายไม่อยู่ในอํานาจวาสนาของท่านพ่อใดจงรู้ตามเป็นจริงจงคอยปรับจงปฏิบัติตามเป็นจริงจงลดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงเถิดพระพุมศาสนาโลกคนไม่มีมากมากมากก็มากออกจากใจ ย่นก็ย่นลงมาหายใจปัญหาทําไมไมีมากก็เพราะเราสงสัยมันก็มีมากถ้าเราไม่สงสัยมันก็ไม่มีมากคนจะมีมากักเพียงไหนกว่าตามจะมีกี่ ล, ล้านกว่าตามเต็มแผนฟ้าเป็นดินก็าตามก็ย่นลงมาเป็นธาตุสี่ดินน้ําไฟลมเท่านั้นถ้าย่นลงมาในสี่ย่นลงมาในหนึ่งก็คือจิตเท่านั้นย่นลงมาเป็นสองคือกายกับใจ ย่นลงมาเป็นสามกายวาจาใจย่นลงมาเป็นสี่ก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยในหมวดมรรคย่นยลงมาเป็นห้าก็คือขันห้าขยายออกเป็นห้าโรเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้แตกสลายทั้งนั้นเมื่อใดเห็นทำทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้แตกสลายสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่ง รูป ก, กายนาวกายเป็นทุกอย่างยิ่งรูปขันนาวขันเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกนั้นแหละทางแห่งวิสุทธินั้นแหละทางแห่งคิดทวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิตรงตืนกันอยู่ที่แห่งเดียวเห็นพร้อมกํลาลมเข้าลมออกเลยรวมลงมาที่นี่รวมลงมาในกรรมฐานที่เราตั้งไว้น่ะ เราตั้งก็ไปถามไ้แห่งหนึ่งแล้วก็ไปเหนี่ยวร่างพิจรณาแห่งหนึ่งอีกก็ここเรียกว่าทับแตกแม่ทับพาแตกแม่ทับขี้ขาดถ้าแม่แม่ทับแม่แมแมพาแตกแล้วมันก็รู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงอันหนึ่งแล้วก็รู้ตามเป็นจริงหมดเมื่อรู้อนิจจังอันหนึ่งแล้วก็สัพพะอนิจจังทั้งฟวงก็รู้หมดเมื่อรู้ทุกข์อันหนึ่งแล้วสัพพะทุกข์ทั้งฟองก็รู้หมด เมืรู้ตายอันหนึ่งส heard, ัพตายทั้งครัวก็รู้หมดเมื่อรู้ดินอันหนึ่งดินดินเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็รู้หมดหนึ่งดินเท่านั้นดินจะมีเท่าไรก็ตามเม็ดหินเม็ดทรายจะมีเท่าไรก็ตามนับลงมาเป็นเอกนี่บาตนี่หนึ่งดินเท่านั้นน้ํามีอยู่ที่ไหนนับได้หนึ่งน้ำไฟมีอยู่ที่ไหนก็นับได้หนึ่งไฟลมมีอยู่ที่ไหนก็นับได้หนึ่งลมเหตุนั้นภาษาลีบุตรท่านจึงนับเม็ดหินเม็ดทรายทั่วมหาสมุทรได้ตลอดถึง ฝนตกอยู่ที่ไหนธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมท่านนับได้หมดก็ท่านนับลงเป็นเอกนิบาตลงเป็นหนึ่งในวัตจวันหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมถ้าไปถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่วันมันยังจะหมดผู้นับก็เป็นผีว่าผู้เป็นกรรมการก็ผีว่านะถ้าผูา้ศาสษาศาสนาสอนในสิ้นความสงสัยสอนในทำลายความหลงของตน ถ้าถูกแพ้ความหลงของตนมาหลายชาติหลายภพแล้วชนะความตรงความหลงของตนโดยทั้งปวงก็ชนะโรกทั้งปวงก็ชนะสงครามโลกทั้งปวงชนะก็ชนะอยู่ที่เมืองใจของเราแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองใจของเราชนะที่อื่นไม่ไเดินทมเถรพระบรมศาสนาม่ได้เอามาบนเตะเล่าชนะใจของตนชนะความหลงของตนที่เมืองใจถูกแพ้ก็ถูกแพ้ที่เมืองใจ ข้ามทะเลใจข้ามผู้รู้เรียกว่าข้ามความหลงเรียกว่าข้ามโลกทั้งปวงอดีตคืออะไรผู้รู้ที่เล่วงไปแล้วอ น, นาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่ผู้รู้เกิดดับเป็นไหมเกิดดับเป็นเหมือนกันเป็นสังขารอันละเอียดจิตเกิดดับเป็นไหมจิตเกิดดับเป็นเหมือนกันผู้ใดว่าจิต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 รถไม่ใช่ตัวตนลื่นไม่ใช่ตัวตนตาอผดสะพะไม่ใช่ตัวตนทำมาโรงไม่ใช่ตัวตนทำมันชั้นสูงผู้ยินดีในพระพุทธศาสนาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนโง่งเง่าเต่าตุนเป็นคนที่สร้างวาลามีแก่ก้ามาแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัดตาสงสารก็จ้องเดินทางรักผู้ปฏิบัติ เพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมัติไปเป็นลํำดับก็สอนแสดงให้เห็นว่าบารมีอย่างก่อนอยู่ผู้บาลมีแก่กล้ามาแล้วมนุษย์สมบัติก็เห็นแล้วเห็นทําไมเพราะอยู่ใต้อํานาจอนิจังเทวโลกสมบัติก็เห็นแล้วเพราะอยู่ใต้อํานาจอนิจังพรโลกก็เห็นแล้วเพราะอยู่ใต้อํานาจอนิจังถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นนระกสิว่าอย่างนนัะ้เขาไม่ได้ภาวนาเพื่อจะ เอานารกไปภายในพานด้วยเบื่อหน่ายนารกในวัดตาสองสารมันเป็นนรกหมดคือมันมันมีทุกสังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นนมหายใจเข้าข้างหนึ่งครบแปดหมืน่นสีพระคัตธรรมขันธ์แล้วเห็นทั้งความเกิดขึ้นด้วยเห็นทั้งความแปรปรวนด้วยเห็นทั้งความดับไปด้วยเห็นทั้งศีลด้วยทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยเว้นแต่ไม่ต้องการนั่น อย่าไปทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันใครเข้าสมาธิอันไหนก็ถูกหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านแต่ละท่านคําสอนแต่ละวัดระบาดของพระบรมศาสด า, าสอนอยู่ 4, 5, 000, สี่สี่เาพัรษาสอนคนนั้นอยู่ที่นั้นสอนคนนี้อยู่ที่นี้แล้วเอามาจาลึกไว้อไอ้ที่แท้ก็มีความหมายอันเดียวกันหวังผู้ไอ้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยส่วนเดียวเท่านั้นกันเทศกันเดียวคนหนึ่งฟังก็ลงนรกคนหนึ่งฟัง ก็ถึงพรัสดาวันคนหนึ่งฟังก็ถึงไตรธนกรมคนหนึ่งฟังได้ถึงสักทาคามีคนหนึ่งฟังได้ถึงภาณาคามีคนหนึ่งฟังถึงพระละหันเพราะเหตุใดเพราะปัญญามัอยู่ในระดับเดียวกันตีความหมายต่างกันพุทโทธคําเดียวตีความหมายจนถึงโลกุตระจนถึงพระในพานพุทโทธพระละหันเป็นพุทโทธพระในพาน พุโทโธแปลผู้รู้ผู้รู้พระนิพานรู้ตามจริงปฏิบัติตามจริงลดทอนตามจริงแล้วพุโทโธพระสวดาวันเป็นพุโทโธที่ไม่หลงทางใครอยากได้พระสวดาวันก็เอาซะไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากร่วงอบา ย, ยมุขไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งท่านผู้ใดโกรดอยู่แต่ไม่ผูกเวรมึงเถอะไม่มี เออถ้าเคยได้ทํำผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนพบก่อนก็ให้แล้วกันไปซะหรือเข้ามาขอใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะข้าพระเจ้ามีโกรธอยู่จะไม่ผูกเวรนั่นภูมิของพระโสดาบันนั้นแหะไม่ถือศาตราอื่นอัญญสักทุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นและไม่ยอมถือรักที่อื่นอื่นเหนือพระวจาศัพท์นาเลยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณท่านพวกเมยคุณ ไหลขึ้นสู่คุณพระพุทธธรรมอสงค์คุณพระพุทธธรรมอสงค์ไหลขึ้นสู่คุณพระเนพานเหมือนเขียบทิศจะมีกี่ด้านล่าก็ชี้ไปในทางทิศเหนือชั้นใดคุณสักพคุณเท่าพวง ก, ก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาที่สุดยอดก็ไปรวมพลกันอยู่ที่พระเนาพนานพระเนพานมีในศาสนาอื่นหรือไม่ พระบรมาศาสดายืนยันเผงๆ เ, เลยบอกว่าไม่มีสุพิทพนุเชื้อยายสามีมีแต่ในศาสนาพุทธนั้นเราไม่พูดข้าข้างตัวดอกเราไม่พูดดูหมิ่นท่านผูอื่นเราพูดตามเป็นจริงถ้าเราไม่พูดตามเป็นจริงเพราะว่าเราเป็นคนขี้ขาดเราประเทศสนาโปรดโรคไม่ได้พระบรมาศาสนาสิหาหนาคังนาทาั น, าทานเตเตเราประกาศพระศาสนา เป็นงชี้ห้านาฏได้อย่างเต็มองมิพระบรมศาสนาเราได้หัวหน้าดีแล้วหัวหน้าของเราก็พระบรมศาสนาทุกๆพระองค์เราเลื่อมใสในศาสนาพระโรคดมก็จะกับว่าเราเร่อมใสในศาสนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันเพราะเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเราอย่าไปสงสัยจะมีขี่ร้านล้านพระองค์ก็ตามเป็นคําสอนอันเดียวกันไม่เหมือนกฎอหมายข้อโห่ข้อพักข้อพวกตั้งขึ้นแต่ละยุคแต่ยุคทุ่มเสียงเกียงงอนกัน พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้เที่ยงเถียงเกียงงองเกันไม่ได้อวดดีด้วยสอนโลกอย่างเต็มภูมิมนุษย์สมวัติอย่างเต็มภูมิสวรรค์สมบัติอย่างเต็มภูมิพรมสมบัติอย่างเต็มภูมินิพพานสมบัติอย่างเต็มภูมิไม่ได้สอนมนุษย์วิบัติสวรรค์วิบัติพรมวิบัตินิพพานวิบัตรมนุษย์วิบัติคืออะไรคืออบายวมกเป็นมนุษย์วิบัตินั่นถ้าเว้นจากอบายมก ก็เป็นมนุษย์สมบัติเมื่อมนุษย์สมบัตไิไปแล้วสวรรค์สมัติเปิดประตูไปเองพรสมบัติก็เปิดประตูไปเองนิพพานสมบัตก็เปิดประตูไปเองไม่ต้องและซ้ายแหลกขวาเดินรุดหน้าเลยจะเดินเลยหรือช้าก็ไม่หลงทางนั่สัตถังสาวพยันชนงเจวราริคุณนางปฏิสุทธิ์ทางพรหมจรยังประกาเศเสสิบริบูรณ์แล้วทั้งอัฏฐ์ทั้งพยันชนะ ไม่มีที่จะแซงเลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เหมือนกันโลกทั้งหลายจะมาแซงคำสอนพระพุทธศาสนาไม่ควรเอาพระพุทธศาสนาไปขึ้นสเตตชกมวยกับศาสนาอื่นมันบาปนะเยี๋ยเอาพ่อตาเขาลูกเขยไปชกมวยกันไม่ถูก <c oughs> ทีนี้ท่านผู้ใดสงสัยอะไรก็เอามาที ทำแท้มันก็ไม่มีมากเนอะเรื่องมากเราก็เป็นโัวหานโวหานก็หานลงหานลงที่ใจโัวหารกับวัว h o ก็อันเดียวกันตัวนี้นิดนั่งภาวนาอยู่รับเลยตัวนี้นิดเก่งเหมือนกันเนอะนั่งภาวนาเราจักตั้งจิตหายใจเข้าเราจักตั้งจิตหายใจออก เราจะเห็นกายในกายหายใจเขา้าเราจะเห็นกายในกายหายใจออกหายใจเข้าออกเนี่เป็นกา ย, ยสังขารเนอ อ, อหายใจเขา้าหายใจออกมตกมุดารเรียกวัจจีสังขารหายใจเขา้าหายใจออกสุไวเวธนาสัญญาสังขารสังขารเป็นจิตตะสังขาร แปดหมืนสีพระธรรมขันธ์รวมลงในปัจจุบันเลยปัจจุป น, นันจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่ง้อนแง่คอนแคลนในทางพระพุทธศาสนาเลยถ้าผู้ใดไม่เชื่ออาจารย์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าจะมีเกล้าล้านมาเทศมันก็ฟังไม่ออกก็ไม่พ้นจะกล่าวตูตนด้วยไม่พ้นจะกล่าวตูพระพุทธศาสนาด้วยกล่าวตูตนก็คือกล่าวตูพระพุทธศาสนานั่นเอง ทำไมจะงกล่าวตู่เพราะไม่เห็นธรรมก็กล่าวตู่ตนสิเมื่อวานมีไหมมีอยู่แต่มันล่วงไปแล้วพรุ่งนี้มีไหมมีอยู่แต่ยังไม่มาถึงปัจจุบันมีไหมมีมีทั้งหนังและเข่าด้วยมีทั้งเงินด้วยมีทั้งตัวเงินด้วยพระธรรมจะมีมากสักเพียงไหนก็ย่นลงมาหาปัจจุบันเลยใครตายพร่อมกับลมเข้าลมออกก็ไปเกิดในพมโลก ผู้ใดตายพร้อมเลงเขาลงออกพิจารณาอนิจจังทุกครั้งอ น, นัตตาพร้อมก็เกิดในภพรมรรคอีกเหมือนกันมีอานิสงส์ร้อยโกรธกับพิจารณาอนิจจังทุกครั้งอ น, นัตตาพร้อมเลงเขาลงออกผู้พิจารณาเป็นจารสาักาลูปเป็นจารสักว่เห็นพร้อมเขลมเขาลงออกตายแล้วก็ไปอรูปปฐมมีอานิสงส์ร้อยโกรธกับถ้ายังไม่พ้นทุกข์ หน้ากายมันสกปรกถ้าไม่อาบนา้าคิดใจทําให้ปฏิบัติจริงทำมันก็สกปรกเหมือนกันมันจะเว้นไม่ได้เมื่อเว้นอาบน้ามไม่ได้ก็เว้นปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถ้าไม่ไทําอยู่บนหัวใจแล้วไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่งอยู่ที่หัวใจแล้วจะเอาอะไรมาพกครองมันคิดนี่มันไม่อยู่หรอก นอกจากรั่วพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นรวธรรมรัวร่ววินัยเท่านั้นมันจึงจะอยู่ถ้าไม่มีรั่วธรรมรั่ววินัยมันก็ไม่อยู่โคกระบือต้องร้อมรั่วและกําแพงกําแพงของมนุษย์ก็คือธรรมวินัยนั่นเองของพระพุทธศาสนานั่นทีนี้ท่านผูน้อะไรปารกอะไรก็ปารกซักมาแล้วก็เหนื่อยถึงสองชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงกับงบังทีนี้ ที่นอนเราที่พักเราก็พอกันไหมเนี่ยรู้มากคนยัดเยียดวันนี้ห่องถ่ายห้องน้ำพากันเห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วนะนะอาวุราปริโพธิสัาขางังเอาเวามีวอยโตทินนังเปาตาลังวัคปะติ มิชิตังปชิตังทุมหางเกเมวสเมตสัตว์สพิูเรนตุสังกปากันโทภนลโสดาธามณิโชติรโสยถาสพีธิโวัชชนตสัพุโกสัพพโยสัพโรโกวินัสสตุมาเตปวัตวันตรายสุขีทีคายุโอพระอภิวาชนสีนิสนิจังวัชชาปัญญูจตารุธรมาวันติอายุวันูสุขังพะลัง ปฏิบัติเพื่อพนทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากเนอะปฏิบัติเพื่อลาภพยพปัญหาว่าพุทโธก็เป็นพุทโธเรียกพุทโธผาพุทโธบักพุทโธเบอร์ไปซะมันจะพาลงนรกกับพุทโธอไปกล่วกาวสู่พระบรมศาสดาพาเอา พ, อพอระพระบรมศาสตราพามาเล่นเล็กเล่นผาเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาเข้าในอบายมุกกรดวดตัวบาปเว่นซะ ใครอยากได้พระสวสดาบาันก็เว่นวันนี้ถ้าได้พระสวสดาบันในสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมืออุ้งมือของสติอุ้งมือของปัญญาไม่ใช่อุ้งมือนอกๆนี่เปิดประตูไปเองนะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระบรมศาสดาเรียบเอวสักไหวนะคำสอนแต่ละวรรษวรรษค่อยๆกับว่าพระบรมศาสดาร้องเรียกอยู่ ลูกหลานเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยถ้าขาว่าอะไไม่มีการวันกงคืนไม่มีเอวังเทศอยู่ไม่มีการวันงคืนแกเจ็บตายก็ไม่มีเอวังลนมให้ไกายเออกก็ไม่มีเอวังอันนี้จังทุกคั้งอนัตตก็ไม่มีเอวังทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเธอจะรู้ตดตามเป็นจริงหรือไม่เธอจะปฏิบัติตามเป็นจริงหรือไม่เธอจะรุดพ้นจากความหลงตามเป็นจริงหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง มันจะเอาอีก ส, สองกันแล้วเอาละทีนี้ <c oughs> เอานี่มาเอานี่มาแจกกันไง <c oughs> พระกรรมฐานหน้าแบกรดสะพายมุงโกหกเขากินขนมท่านพูดยางไง <c oughs> ท่านพูดเจ็บปวด <c oughs> ไปเฉก ไปเที่ยวหากินขนมเขาถามภาวานาไม่ได้เลือกหลวงปู่มันดุเลยรู้เก่งกว่าหลวงปูมลลป่มหานน่เอยหลวงปู่มหาบวมไม่เก่งเท่าหลวงปู่มันหลวงปู่มันยังดุเก่งกว่านั้นเร <c ười> <c ười> ื่องเก็บศพไม่นานไม่มีในหลวงปู่มั่น พระเนนในวัดพระเนนในวัดจะเล่าเรื่องลาชิกขาไม่ได้เดมาเล่าที่นี่ไปเล่าที่อื่นที่นี่เป็นที่ปัจจุบัติหลวงปู่อันถ้าใครต้องการลาชิกขาจะลาอยู่ที่วัดของท่านไม่ได้ต้องหาอุบายไปเที่ยววิว่งๆเขาไปลาที่แห่งอื่นเขาบัดซึ่งลาชิกขาที่แห่งอื่นไม่มีใครลาชิกขาใสวัดท่านเลยมีแต่บวชบวชก็ห่างเต็มที บทที่อื่นแล้วจึงมาปฏิบัตินมากแล้วงปู่มั่นเราจะจับพิรุธว่าท่านชอบอะไรจับพิรุธไม่ถูกท่านฉันอาหารสังเกตเอาโอ้ท่านฉันอันนั้นมากที่เราก็ตามไปตามไปตามไ ป, ตามไปเท่าที่มีมาโดยเป็นธรรมไม่ได้ไปขวนขวายทัานระเพิกไปเพิกไปไม่รู้ว่าท่านชอบอะไรไมแม่แต่สิ่งที่มันแสีงกับโลกขององค์ท่าน ลูกองท่านท่านเป็นโรคฤทิชีดวงทวารหนักลก้วปูมั่งไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยผู้จะมาฉีดยาให้องท่านถ้าไม่ถึงไปสุรากลมท่านมาให้ฉีดลูวปูมังแต่ว่าท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านก็คัดข้องไม่ให้มาไม่ให้ฉีดยายากที่สุดลูกปู่ลกูกปูหน้าว่าข้าวมันเสพไหม หน้ามะเฒ่ามันมันไม่เป็นมันมันมันไม่แสลงมันไม่แสลงก็จริงอยู่แต่ว่าเราแก่แล้วจะเอาอะไรมารดมันก็ไม่งอกขึ้นเหมือนต้นไม้เพราะต้นไม้มันแก่แล้วจะฉันมันก็ไม่ผสรดอกหน้ามะเฒ่าฉันตอนกลางวันแต่เราไม่ฉันฉันมือเดียวเท่านั้นฉันพูด่นั้เราก็เหมือนกันป่วยมาสักเพียงไหนเราก็ไม่ฉันฉันมือเดียวเท่านั้นเออตอนเช้า ท่นฉันเข้าเลยทอดหนึ่งแล้วใกล้จะเที่ยงเอาไปฉันอีกสักอย่างนั่นก็ไม่ฉันแล้วปู่มั่นก็ไม่ฉันเราก็ไม่ฉันอะ<ม>ตายเป็นได้ลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มัน่นก็ใกล้หลวงองค์หลวงปู่มัน่นก็หลวงปู่มหาใากล้พอสมควเรเแล้วัรนก็ไปคนละแบบละแบบละแบบ <laughs> หลวงปู่มั่นนักแขกพระ มันน่ยนักแขกโยมครูอาการทุกวันเนี่นักทั้งแขกพระนักทั้งแขกโยมหลวปู่มหานะหลวปู่มันนักแต่แขกพระออกพรรษาแล้วมากพระเปลี่ยนกันอยู่สามสี่องค์แล้วก็ไปสามสี่องค์ไปผู้ประจําอยู่นั่นจึงอยู่ได้